الله رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و ا ن ت ب ع ه م بإحسان يوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة التوبة ي ن ت د ي ب ك ب ي ض ومن بسود سورة ت ق ر أ ا لوما و ر سودة أ ي قبل ن النبي ج س ي ش براء ابن عازب هو من آخر ما نزل من القرآن براء صحاب อกอาจจะเรียกสุร anya สุรัตบาราะเพราะคำแรกเนี่ยมีคําว่าบาราะแล้วถ้าเป็นสุร่าสุดท้ายมันก็ต้องมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตั้งระเบียบระเบียบสังคมที่จะถูกใช้ในระยะยาวอย่างถาวรสําหรับประชาชาติอิสลามเพราะถ้าเป็นบทบัญญายนสุดท้ายนี่ก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่ถูกยกเลิกแล้วก็เป็นเป็นบทบัญญตัติเป็นคําสั่งสอน ที่มีความถาวราะตอนที่ท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมไดี๋ยวเราพี่อุจากอัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى เราก็นำเสนอกับสหาบ้านนมันก็จะมีบางช่วงที่อัลลอฮฺจะยกเลิกบางบางอายะบางบทบัญญัติตามความเหมาะสมแต่ถ้าเป็นวรรคสุดท้ายแล้วเนี่ยอุลามาก็มักจะใช้เป็นเป็นเครื่องหมายในการพิสูจน์ ว่าอายะนี้เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเป็นมันซุกมันซุกไปว่าถูกยกเลิกเรื่องอายะที่ยกเลิกแล้วถูกยกเลิกเนี่ยนี้ว่าประเด็นประเด็นใหญ่นะแต่อันนี้แค่มามาม า, ม า, ม, ามาใช้เป็นพื้นฐานนิดนึงจะได้คุยในประเด็นต่อมาประเด็นต่อมาก็คือวาระสุดท้ายดี อิสลามต้องวางระบบของสังคมมุสลิมหรือถ้าจะใช้คำว่ารัฐอิสลามมันก็น่าจะตรงกว่าเพราะคำว่าสังคมสังคมนี่มันคำกว้างบ้านเรานี่มีสังคมมุสลิมไมมีมีรัฐอิสลามไหมมีไม่มี <laughs> แต่เราเป็นก็เป็นสังคมมุสลิมนะทุกคนยอมรับนะว่าแม้แพี่น้องต่างเสนาก็ยอมรับเราเราเป็นสังคมสังคมใหญ่ด้วยนะไม่ใชสังคมเล็กหลักล้านนะมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยประชากรมากกว่าประเทศอาหรับหลายประเทศนะรวมอิมรักเเรตกาตาร์บาร ين, ีนเมาหมดเลยเนะี่ยมารวมมุสลิมในเมืองไทยยิย่งเยอะกว่าสังคมใหญ่แต่ไม่มีไม่มีสังคมนี้ไม่มีรัฐไม่มีอำนาจ ไม่มีอำนาจของรัฐแล้วทามุสลิมจะมีอำนาจของรัฐเนี่ยก็ต้องผ่า น, นกลไกของของสังคมบ้านเราที่ที่มันมีความสากลนะ่ะมันไม่มีความเจาะจงในด้านกฎหมายอิสลามส่วนเราจะเอากฎหมายใดๆไปเสนอในรัฐสภาแล้วก็ผ่านการประชุมมันก็จะเป็นกฎหมายที่ที่ที่ที่ผ่านความเห็นชอบของมนุษย์นะมันยังคงเป็นอย่างนั้นนะ่ะนะ ถ้าสมมุติว่าเร า, เ, าเขาเยี่าวยังเอากัะชามาเป็นเสรีย่ยงได้เลยถ้าสมมุติว่าเราเรานําบทบัญญัติสเสนอบทบัญญตัติเอาสถิติอันนี้ถ้าถ้าเรามีนักการเมืองมุสลิมที่มีอุดมการ์นะนี่แค่ฝันไปก่อนนะฝันไปก่อนอย่าอย่ไปคิดมากถ้ามีนักการเมืองเอาสถิติของอุปติเหตุที่เกิดขึ้นอัจฉรกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยจะกเล่าจากการกินเหล้าเนี่ยเออแล้วก็ คนคนทั่วประเทศเนี่ยเขาเห็นด้วยว่าเหล้านี่มันเป็นภัยที่ต้องถูกห้ามและเราประสมความสําเร็จในการที่จะออกกฎหมายห้ามกินเหล้าฝันใช่ไหมสมมติสม ม, ส ม, มการที่จะออกกฎหมายห้ามกินเหล้าเนี่ยมันก็ในสายตาของคนไทยทั่วไปไม่ใช่ผู้สิมนะคนไทยทั่วไปมันก็จะยังคงเป็นกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของของมนุษย์ มีชกฎหมายที่มาจากพระเจ้าต้องเข้าใจเรื่องนี้นะฉะนั้นจะเป็นกฎหมายของอิสลามก็จริงแต่ถูกเสนอผ่านความเห็นชอบของมนุษย์และมนุษย์ไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นกฎหมายที่มาจากพระเจ้ามันก็ยังคงไม่ยังไม่เป็นรัฐอิสลามอยู่ดีนี่เราต้องเข้าใจแต่มีดีกว่าไม่มีมีดีกว่าไม่มีมีกฎหมาย ที่มาจากอิสลา ม, มที่ก็ไม่มีเลยลนี่ความความเห็นของนักการเมืองมุสลิมในหลายประเทศ ท, ที่เดิมในเป็นประเทศมุสลิมแต่อิสลามถูกต่อต้านต่อต้านอย่างรุนแรงเลยแต่นักการเมืองมุสลิมเนี่ยมาเอ่ยอิสลามมาเอ่ยว่าเรากําลังจะฟื้นฟูอิสลามอย่นะก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนแต่เขาก็เคลื่อนไหวด้วยกลไกของของของสังคมนั้นๆที่เป็นสังคมสากลนะ ไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามแด่งใดนะเขาก็ใช้กลไกของเขาจนประสบความสําเร็จตั้งรัฐผมยกตัวอย่างหลายประเทศนะที่ประเทศตุรกีนี่มันชัดหน่อยตุรกีนี่มันชัดหน่อยเขอกนูตุรกียิ่งกว่าฝรั่งเศสนะคุมทิ่จะไม่ได้เลยไปมาอะไรนี่คุมทิ่จะไม่ได้เลยยิ่งกว่าฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสนี่รับเข้าเข้าเรียกอลไร สถานีของราชการไม่ได้ตรงตองต้งถ อ, อ, อดอิจาแต่ตรุรกีนีไม่ใช่ในตรุรกีคุ้มอิจาาไม่ได้เลยเอใครดาทออิสลามนี่ไม่ไ ม, ไ ม, มีกฎหมายห้ามแต่ด่าทอกามาลอาตาเตอร์เนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ยกเลิกระบอบคิลลาฟาเนี่ยคิลลาฟาในประเทตุรกีเนยถ้าใครด่าทอาก็เนี่ย ติดคุกอาจจะถูกประหารชีวิตด้วยซ้ำแต่ตอนนี้นี่เปลี่ยนหมดแล้วถามว่าเขานักการเมืองมุสลิมที่เขาเข้าไปไปสู้ในในสนามการเมืองนี่เขาเอากฎหมายอิสลามจะจา่าชัดๆไปเสนอกับชาวว่านหรเปล่าแต่เขาใช้กลไกของของบ้านเมืองนี่แหละในการที่จะเอาหลักการกฎเกณฑ์ของอิสลามเนี่ยเสนอด้วยเหตุผลที่คนคนสวนว่าเนี่ยเขารับได้ ถาว่าและและและเป็นรัฐอิสลามมันก็ยังองอาร์ูการ์นั่นก็ยังไม่ถือว่าเป็นรัฐอิสลามยังไม่ใช่เลยไม่ใช่รัฐอิสลามเลยแต่ที่เขาทําเนี่ยได้พัฒนาสังคมเนี่ยให้อยู่ใกล้ชิดกับอิสลามให้มากที่สุดดีไหมมีดีกว่าไม่มีโอ้ยไม่ได้ถ้าเราจะเล่นกันเมองต้องชัดเจนต้องบอกว่านี่คุตอานี่สุนนรภูของท่านนบีเราต้องเอาไม่เอานี่ก็ไม่ให้แสดงว่าเรา คือคนนี้คิดแบบเนี้ยคนนี้คิดแบบเนี้ยมันต้องชัดทำไมชัดนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสนอเลยคนนี้คิดแบบนี้เนี้ยเขาไม่หวังดีกับมนุษยชาตินะแล้วก็เขาอยากจะให้มนุษยชาติเนี้ยรับอิสลามรับอิสลามแบบแข็งแข็งแบบกระด้างเลยนะตรงรับทาไมรับนีทำไม่ตรงรับเอาแบบกั้มกึ่งนี่ไม่ไม่เอาไม่ชัดเจนเนี่ไม่เอาเขาเขาไม่หวังดี กับมนุษยชาติว่าคนที่ยังไม่เข้าใจที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยมันพพเพราะเพราะระบบคร่องไงพเพราะระบบคร่องในการนำเสนอไงนอกจากว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นนะ้าถูกปิดบังถูกบิดเบือนดูวล้วก็คนน่าสงสารนะคนเนี้ยที่ไม่ได้เข้าใจอิสลามเนี่ยนอกจากความบกพร่องของเราด้วยแล้วก็อุบายต่างๆที่ที่คนนี้ไม่หวังดีกับอิสลามนี่เขาเขาเล่นงานเล่นงานอิสลามม า, มาไหนตั้งไหนล สุรัตต์อตโตบาก็เป็นสุรรที่จะพูดถึงเรื่องหลักการศาสนาบางอย่างที่สังคมสังคมอาจจะเข้าใจยากเพราะมันเป็นกฎหมายเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งไม่ค่อยมีนะครับในสังคมที่ไหนเนี่ยที่จะแบ่งแยกประชาชนแบ่งแยกคนละเมือง โดยเอาเรื่องศาสนานี่เป็นกฎเกณฑ์เราเนในในบ้านเราเนี่ยพลเมืองประชาชนตามกฎหมายอะนะคนถือสัญชาติคนไทยถือสัญชาติถูกต้องตามกฎหมายนันแะที่เราประชาชนคนไทยคนนี้ไม่ได้ถือสัญชาติไม่ไไม่มีบัตรประชาชนนะจะเรียกต่างต่างด้าวก็บ้างหรือจะเรียกว่า เข้าเมืองผิดกฎหมายกับอันนี้อันนี้เขาแบ่งแงยกประชาชนด้วยอะไรโดยศาสนาไว้ไม่พุทธพมา่านี่ถ้าเขา้าผิดกฎหมายก็ถือว่าก็ถือว่าคนเถื่อนอม า, ม า, ม า, มาไม่มีมาไม่ ม, ม, มีที่ไปที่มามาเข้ามายัางไงติดคุกเลยนะเขาไม่ได้เอาเรื่องศาสนาเล่าเรื่องอะไระสัญชาติเรื่องสัญชาติแล้วก็ ถามจรงแล้วก็สัญชาติเนี่ยได้มาด้วยอะไรบางทีเนี่ยคนค น, คนอยู่ในป่าอ ย, อยู่อยู่กับเขาเนี่ยอยู่เป็นร้อยร้อยปีนะยังไม่ได้บัตรประชาชนเลยแล้วลคนเมื่อห้าสิบปีนี่เข้ามาจากเมืองไหนก็ไม่รู้มาจากประเทศไหนก็ไม่รู้ก็้มาอยู่ทำงานแล้วก็ได้สัญชาติมีใช่ปะ่ะนี่ในกฎหมายไทยนี่ถ้าแต่งงานถ้าแต่งงานกับผู้หญิงหญิงคนไทยอยู่ <10>, 10ปีหรือิบห้ปียื่นภาษีตลอด15บปีมีแหล่ง ม, ม, มีมีมีที่อาศัยอยู่มีมีมา ร, รายได้มีอะไรเงี้ยไั้สัญชาติเลยไดนสัญชาติบางคนน่อยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยอยู่อยู่มาตั้งแต่ปุยยะแต่เขาก็อยู่นะแต่อยู่ในป่าลุ่นมันไม่ได้เป็นความบกพร่องของเขาเป็นความบกพร่องของ ของรัฐที่ความเจริญไม่ถึงเขามันไม่มีอําเภอในป่ามมีเจ้าหน้าที่ ม, มีราชการเข้าไปหาชาวบ้านในป่าแต่จะมาโทษมาโทษเจ้าหน้าที่โทษราชการได้ไหมไม่มก็พิสูจน์สัญชาติไม่ได้มันเป็นมันเป็นพื้นที่ใช้ได้ติดชายแดนเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ไม่แน่เขาเป็นคนอยู่ในแผ่นดินไทยมันแต่เดิมหรือเปล่าอะราชการจะไม่ผิดไงโยนผิดให้ใคร นี่คนอยู่ในแผ่นดินอยู่ในแผ่นดินไทยนี่นับนับแสนนะนะ ม, มีบัตรประชาชนไม่ใช่ศาสนาสัญชาติสัญชาตินี่เอาอะไรพิสูจน์นะ่ะสัญชาติะก็คือการได้การได้การยอมรับของรัฐคือถ้ามีบัตรประชาชนนี่นี่คือสัญชาตินะแล้วถามว่ามันมันมันยุติธรรมมันแฟร์มากน้อยแค่ไหนล่ะฝรั่งคนหนึ่งมาเนี่ทุ่มยี่สิบล้านพรุ่งนี้เลยได้ ลงทุนนักลงทุนนักลงทุนจริงไหมละ่ะคนที่มาทํางานทํามาทํามาหากินต่อต่อวีซ่าไม่ได้เนี่ยผ่านดานถูกจับร้องเพลงชาติมีไหมละ่ะถ้าฝรั่งมาเนี่ยเฟิร์สคลาสมามาเครื่องบินเฟิร์สคลาสลงมารถเบนซ์เลมูซินอย่างดีแล้วเข้าโรงแรมห้าดาวเจ้าหน้าที่กล้าจะดักมั้มเฮ็ดร้องเพลงชาติคนนี้ฝรั่ง ม, มันมันมีความไม่เป็นมาตรฐานในการแบ่งแยกประชาชนไม่เป็นมาตรฐานศาสนาเราอิสลามสํารับอิสลามนะและอันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องกฎหมายของอิสลามใครจะชอบไม่ชอบนี่ ก, ก็ก็ให้ดูเพราไม่ไม่มีอํานาจที่จะบังคับใครนะโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ในการนําเสนอหลักการที่มาจากคาสั่งสอน สแลมนี่ไม่แบ่งแยกคนด้วยด้วยเรื่องสัญชาติเชื้อชาติซึ่งมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ค่อยมีความเป็นธรรมอย่าลืมนะว่าสัญชาติเนี่ยคำว่าสันชาติเนี่ยมันมีส่วนประกอบส่วนประกอบนี่เกี่ยวกับเรื่องพรมแดนด้วยอธิปไตยฉะนั้นคนอยู่ใครเคยไป เกาะสองะเกาะเขาเรียกเกาะสองป่ะแถวแถวแถวระนองป่ะใช่ไหมเกาะสองป่ะใครอยู่เกาะสองนี่เนี่ยมีงานเข้าแหละมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนของพม่าหรือของไทยพอคนที่มาแล้วก็แล้วก็พื้นที่คนที่นู่นน่ะนะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในสังคมไทยแล้วก็พูดไทยแต่ว่าก็พูดทั้งสองภาษานี่ว่าพูดภาษาไทยก็พูดไม่ชัด พอมายื่นเอกสารนี่นโอ้ยยืดเยอะกว่าจะเกี่ยวอะไรเกี่ยวันเกี่ยวกับพรมแดนเกี่ยวย้อนไปอดีต น, นิดนึงอะนะตอนที่ไทยรุ่งแล้วก็เราปกครองป่านนี้เนี่ยโอ้ป่านนี้เ น, นี่ย ใ, ใครที่อยู่อย่างกุ้งนี่ก็คงเป็นคนไทยหมดแล้วใช่ไหมป่านนี้นี่ปีนังนี่คงเป็นคนไทยทั้งนั้นอะอันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องอธิปไตยของดินแดน มันเป็นส่วนประกอบของอาธิบาไตแต่พี่น้องลองคิดดูสิในอาณาจักอิสลามเนี่ยเรื่องปัะสูงบระสปอร์ตนี่ไม่มีนี่ในสมัยอาณาจากอุสมานนี่ยเลาวะอุสมานเนียเนี่ยหนึ่งพเารอยนรี่ิบยสาเพราะคลาวาอุสมานเนียเนี่ยถูกล่มยิสี่ ปีละก็หนึ่งรปีประมาณร้อปีนะไม่ถึงรปีร้อยปีเนี้ยปีสองพนี่ก็จะครบร้อยปีการล่มสลายของอันาจอัลกุสมานี่ยขีลาวาสขีลาวาสุไทยในลกที่ดูสิมุสลิมี่อยู่ในประเทศไทยนี่มุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละไม่ต้องมีบัสปอร์ที่จะไปมักกะเข้ามาการไม่ต้องมีบัสปอร์แค่แค่าเป็นมุสลิมอย่างเดียวเข้า ไมตรงเรื่องหายเหลืองร้อนะเดินทางกันนะ่สมมติว่าคนอียิปต์จะไปซาอุดีเพราะต่อนรุ่นน่นะครับว่าอียิปต์ซาอุดีไม่มีหรอกเรื่องนี้มันมันเป็นอธิปไตยที่ถูกอุปโลงขึ้นมาและเป็นเงื่อนไขที่ที่ถูกวางไว้ในบะัตรสปอร์ตี่ตรสปอร์ตนี่เนี่ยบัต ร, ป ร, ป, ร, ป, รประชาชนนี่ใช้ได้ใช้ได้ที่ไหนเฉพาะตรงนี้นะออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยเองเป็นคนต่างชาติก็เหมือนที่เราทํากับเขาไงเขามีบัตรสปอร์ตอย่างดีเลยนะ พาสปอร์ตนี่เข้าประเทศไหนก็ได้นะแต่มาบ้านเราเนี่ยเขาก็ยังถือเรียกงวุคตนต่างชาติศา ส, สนานี่ไม่ไม่ถือว่าเรื่องนี้มีความเป็นธรรมศา ส, สนานี่จะให้ศา ส, สนาอิสลามอะนะจะให้เรื่องศาสนานี่เป็นเป็นกฎเกณฑ์ในการที่จะแบ่งว่ามีมีมุสลิมแล้วก็นอนมุสลิมคนจะสัญชาติอะไรจะสีผิวอะไรจะอะไรอะไรกับ น, น, น, น, นิมนิมนิมศาสนาน เพราะอิสลามต้องการให้คุณค่ากับสิ่งที่สอดคล้องกับที่มุสลิมเชื่อมุสลิมเชื่อว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนี้ก็คือก็คือหลักการศาสนาศิลธรรมคือถ้าถ้าศาสนาอื่นน่ะเขาจะสั่งสอนนะว่าคนต้องต้องให้ความสำคัญกับมันกไ็ไม่ผิดของเขาอ่ะนะไม่ผิดของเขาแต่ในฐานะที่เป็น ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องต้องเข้าใจเรื่องนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะเรื่องนี้สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดไม่มีอะไรจะเหนือกว่าความเป็นมุสลิมทั้งนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมนะไม่ได้เป็นการเหยียดหยามคนอื่นที่ไม่ไม่ใช่มุสลิมนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการมองว่าเขาเขาเป็นคนชั้นต่ำเป็นไม่ใช่นะเรื่องนี้ถ้าคุยนี่คุยยาวเลยนะมันเป็นการเพิ่มภาระโดยซ้ำ คนนี้เป็นมุสลิมเนี่ยต้องมองคนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยว่าเขามีอามาน่าที่จะต้องดูแลเขาอย่างดีต้องบอกศัจธรรมให้เขาให้ครบถ้วนภารกิจที่จะต้องต้องเทคแคร์คนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมนี่มากกว่าที่เราต้องเทคแคร์เทคแคร์มุสลิมด้วยซ้ำสุดอัตเตอบะก็จึงเป็นเป็นสูเราที่ผมทุกครั้งนี่ก็จะมาย้ําบอกกับพี่น้องเออพยายามเราต้องศึกษาให้ให้ดีในะให้ละเอียดที่ท้วนนะ ก็มาเข้าใจและก็มาเข้าใจกันให้ดีเพราะคือหนังสือตำราที่จะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีรัฐอิสลามเนี่ยหายไปจากโลกนี้เนี่ยเป็นร้อยปีละคีรัฟาอุสมานีย์เนี่ยช่วงช่วงท้ายๆของคีรัฟายังยังไม่เป็นรัฐอิสลามที่สมบูรณ์นะตอนนั้นเป็นคีรัฟาที่ทิมแบบว่ถือหางยุโรปเหมือนกันอนะไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยอะ่ะ รัฐอิสลามที่ร mm. ัฐอิสลามนี่ยหายไปแล้วสองสามรอปีไม่มีรัฐอิสลามแน่นอนเรื่องที่กี่ยกรัฐอิสลามเนี่ยมันก็ต้องหายไปด้วยสําหรับตําราหนังสือกระบวนการการศึกษาสถาบันการศึกษาที่กี่ยกรัฐอิสลามคนที่มาสนใจเรื่องรัฐอิสลามนี่หลังจากคีลาฟาอุสมาเนียเนี่ยคีลาฟาเนี่ระบอบอิสลามเนี่ยถูกยุคเลิกแล้วเนี่ยคนที่เขารู้สึกสํานึกในหน้าที่เนี่ยเขาก็เออก็มาฟื้นฟู สำหรับตำราที่พูดเรื่องรัฐอิสลามเนี่ยก็ล้วนเป็นเป็นการพยายามของภาคเอกชนทําไมอะ่ะเพราะบรรดาประเทศมุสลิมทั้งหลายไม่มีรัฐอิสลามมนะันเขาไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้มากนักที่จะที่จะพูดถึงรัฐอิสลามทําไมอะ่ะเพราะรู้ตัวว่าตัวเองนี่ไม่ใช่ไม่ใช่รัฐอิสลามถ้าไดมาฟื้นฟู ความรู้เกี่ยวกับรัฐอิสลามก็เท่ากับประนามตัวเองทางอ้อบอกว่านี่ไงของดีอยู่นี่แล้วเองทํำไมไม่ทําล่ะมันก็ต้องมีคําถามนี่เกิดขึ้นมาปฏิเตมุสลิมเนี่ยจริงต่อตา้านการศึกษาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์อิสลามและจะมีการอนุมัติให้การมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสถาบันสากลแบบแบบไอไอ่ะมันต้องมี อ, ะอ่ะทำไมอะ่ะเพราะใน ในมหาลัยนี่ก็จะมีการสอนรูปแบบปกครองทุกรูปแบบคอมมิวนิสต์ก็มีไซโคล่ก็มีทุกแล้วก็รูปแบบอิสลามจะไม่มีเหรอโอ้ยอายอายไม่ได้เดี๋ยวเขาว่ามันมีทุกอย่างอสอนทุกอย่างแล้วจะไม่มีระบอบอิสลามด้วยเหรอต้องมีสิแต่ส่วนมากก็จะเป็นภาคเอกชนที่จะให้ความสำคัญกับรื่งนี้มากกว่า ที่ที่แล้วเนี่ยเราได้ถึงอญญายะที่ผมบอกว่าเป็นอญญายะที่มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีอิสลามข้อหาว่าอิสลามเนี่ยเป็นเป็นศาสนาก่อการรา้ข้อหาว่ามุสลิมเนี่ยเป็นหัวรุนแรงเพราะเพราะคำสังสอนในอิสลามเนี่ยคำสังสอ น, นอะไรนนี้นี่อญญายะเนี่ยที่เขามักจะหยิบยกมามาใช้ลัซบุฮานะวะตะอะลักระหัว أ ธ ي ب ا ي َ ي َ ب َ ي ه ُ ن َّ كَثَفَتْهُنَّ و َ أ َ ن َ اللَّهُ ع َ ل َ ي ْ و َ أ َ م َ ع ل ه م ْ و َ أ َ ن َ م َ ع َ ل َ ي ه م و َ خ َ ن ع َ م ا ل ه م ْ و م َ ع َ ل َ ي ْ ه م ْ و أ َ ن م و ا َ ل َ ي ْ ه م و ا أ َ ن ع َ م ا ل َ ي ْ م و َ أ َ ن َ م ل َ ي ْ ه ِ م ْ و ا أ َ ن ْ ع ل َ ه ِ م ْ و َ أ َ ن ْ ع م َ ع ل ه و م ْ و َ أ َ ن ْ ع َ م ا ع ل ขั้นาอิาั้นเมื่อบันดาเดือนต้องห้ามเหล่านั้นอันไหนเหล่านั้นเดือนเหล่านั้นก็คืออันนี้ไงฟาซีฮูอายที่สองนีฟาซีูฟิลอารอบัชดินดังนั้นพวกท่านจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดินสี่เดือนนี้พูดมาแล้วนะอายะที่สองเนี่ยนี่สี่เดือนหลังจากนี้เนี่ยเราก็บอกว่า ف ็อ ا سلخ ا ل ล ش ه ลอชูรุลฮเมื่อบันดาเดือนต้องห้ามเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ف ا, أ, ن ن أ ق ت ูลุลมุชริกีนักจงประหัดประหารมุชริกเหล่านั้นให้ตัวจ م ต ه ุมูมณที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขาว่าขู่หมและจงจับพวกเขาว่าซู و ه หุม และจงล้อมพวกเขาว่าก็ดูลหล่มและจงนั่งสอดส่องพวกเขาอุลามะดินทุกจุดที่สอดส่องสี่เดือนที่ต้องห้ามที่อายะที่สองนี้พูดถึงเนี่ยเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่าอุลมามะได้มีความเห็นที่แตกต่างสี่เดือนที่ต้องห้ามเนี่เขาบอกก็สี่เดือนที่ต้องห้ามนี่แหละอ่า ดูล قاعدة สุดฮิญาบห้รำม م, แล้วก็รับแต่รับนี่มันยู่หยางหมยรวมว่าให้บรรดามุชรนเนี่ยโอกาสในการที่จะพิจารณาตัวเองว่าจะอยู่ภายใต้รัฐอิสลามหรือจะออกไปอยู่ในแผ่นดินอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่รัฐอิสลามให้เขาเลือกแต่ถ้าจะอยู่ภายใต้รัฐอิสลามเนี่ยถ้าเป็นชาวอาหรับเนี่ย ถ้าเป็นชาวอาหรับเนี่ยจะต้องรับอิสลามจะต้องรับอิสลามอุลามะท่านอื่นเขาบอกว่าสี่เดือนที่ต้องห้ามเนี่ยไม่ใช่ซุลกาดะซุลฮิญาห์มุฮัรรัมและก็ระยับซึ่งเป็นสเดือนที่ต้องห้ามที่เรารู้กันนะไม่ใช่ทําไมอ่ะเพราะเขาบอกว่าถ้านับยังไงมันก็ไม่ครบสี่เดือนเพราะมันมีเดือนระยับนี่มันอยู่มันอยู่ห่างๆนู่นอะ แต่นับสี่เดือนนี่มันยังไงอ่ะเขาบอกว่านับจากเดือนเช้าวาันเพราะน บ, บีส่งคนจากเดือนเช้าวันนี่ไปเตือนเอาใจด้วยอายะเนี่ยเพาะแต่เดือนเช้าวนนี่ออไม่ใช่เดือนที่ต้องห้ามเพราะฉะนั้นทศนิที่มีน้ำหนักมากกว่าว่าสี่เดือนที่ต้องห้ามเนี่ยคือสี่เดือนที่ต้องห้ามไม่ให้ประหัดประหารเขาไม่ให้ฆ่าเขาไม่ให้ไปยุ่งเขา ให้เขามีโอกาสได้พิจารณาตัวเองให้เขาได้มีโอกาสที่ปรับสภาพของตัวเองปรับชีวิตชีวิตตกลงวางแผนชีวิตจะเอาอยัางไงจะเอาแบบไหนถ้าสี่เดือนนี่หมดแล้วหมดตั้งแต่วนันไหนอะทศนะที่ถูกต้องมาว่าหมดตั้งแต่วันประกาศและประกาศวนาัวนไหนอะวันที่สิบุิบห้าเพราะฉะนั้นนาบีสง่งกัานอาลีบนบีตอเลมและอูบักรนประกาศในปีที่เก้าฮิจรัห์ น บ, บีไม่ได้ไปทําห้าสิบปีนันหน่อยไปทำห้าสิบปีที่สิบปีที่เก้านี่น บ, บีไปทำไม่ไปทำห้าอย่างที่บอกว่าเพราะยังมีพวกมุสริกีนที่เข้าไปตาวาฟที่กาบะแล้วเขาก็มีพิธีของเขานี่คนที่ไปตะวาฟนี่บางทีก็เปลือยกายเพื่อประกาศเตบัดตัวกับเนื้อกับตัวก็ไม่ใส่ไม่แฉอะไรเลยนะ่ะไปตาวาฟอย่างงั้นแล้วก็ยังมีมุสริกีนที่เขายัางเอาจววดมาบูชามาอเลย นบีก็ถือว่าถ้าไปในฐานะที่เป็นนบีแล้วก็ยังมีเรื Jon ่องเลอะเทอะแบบนี ups, ้นี่มันไม่ไม่สมควรปีนั้นก็เลยไม่ไปแล้วก็ส um, ่ง uh อูบากะส่งอาลีเนี่ให้ไปทำฮัและประกาศไม่มีแล้วนะการนี้อนุญาตให้มุสริมกินนมาตตัวอฟมาอะไรตามตามอธยาศัยทําชิริกตามไม่ได้แล้วนะมักกะและข้าบสมุทรอาหรับเนี่ยก็จะต้องเป็นแหล่งของอิสลามที่ต้องอนุรักษ์หลักการศาสนา เฉพาะมักกะนีคนนี้เป็นมุสริกนี่เข้าไม่ได้ละคนที่ตั้งภากีนี่เข้าไม่ได้ละคนนี้ยังจะเอาเจวนนี่ไม่ได้แล้วคนที่จะเอาพิธีกรรมเดิมที่เขาเคยทาตอนเป็นมุสลิินี่มาเปยกายแล้วก็มาทอฟนี่ไม่ได้ละอัลลยดุลอัลลยดุลเบดอัลลยดุลารมุชริกนนบีได้ประกาศแล้วก็ให้เอาวะกระอีเนี่ยได้อ่าน สุรัตอตบ้านนี่ยบางทัศนะบอกว่าอ่านทั้งสุรับางทัศนบอกว่าอ่านช่วงต้นๆสิบอายะแรกบางทัศนะบอกว่า20อายาแรกบางทัศนบอกว่าสามสิบอายาแรกถ้าผ่านพ้นไปแล้วในสี่เดือนที่เป็นระยะประวิงที่ให้ไว้แล้วเนี่ยและยังยังมีใครที่ที่เป็นมุสริกีนปรากฏตัวนี่แหละที่ Allah บอกว่าฝักตุนุลมุชริกีน ก็จงประหัตประหารมุชริกเหล่านั้นอันนี้ที่เขาบอกว่าเห็นไหมจากที่เราได้อธิบายว่าสถานการณ์ในคาบสมุทรอาหรับมันเป็นยังไงนบีตั้งแต่เริ่มอิสลามเนี่ยนบีถูกต่อต้านยังไงแล้วก็คนที่เป็นมุสลิมในคาบสมุทรอาหรับนี่ยเขาประกาศสงครามกับท่านนบีถึงขนาดที่เขาก็ประกาศว่าเจอมุสลิมทีนี่ฆ่าเลย ยามมุสลิมก็แข็แค่หนบีอยู่ที่มกักายอยู่บ้านบ้านตัวเองนบีแล้วว่าอยู่บ้านตัวเองอะนะอนะไม่ได้ต้องต้องหลบหลบซ่อนซ่อนแล้วก็รีภัยไปอยู่ที่มาดีนะเอาเขาจะรีพายไปอยู่เมืองอื่นก็ไม่ไปล่อยนะใครเจอมุฮัมมัดเราบักนี่ประหารชีวิตเลยเป็นเปๆหรือตายๆนี่ได้อุดคนละหนึ่งร้อยตัวมุฮัมมัดหนึ่งร้อยตัวอาบักหนึ่งร้อยตัว คือต่อต้านขนาดนี้อัน น, นี้นี่เราต้องต้องเข้าใจที่ไปที่มาของสถานการณ์บริบทเนี่ยแม้กระทั่งนบีได้พิชิตมักการแล้วนี่ก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วยึดเมืองมักการไปแล้วยิ่งใหญ่แล้วก็ยังก็ยังมีอาหรับที่ยังยังไม่ยอมที่จะปล่อยให้ท่านนาบีสัลลัลลอฮฺอะลัยวะสัล ล, ลัมได้ได้เผยแผ่ อ, อิสลามก็ยังมีคนที่ พิจิตมะค้าปีที่8ก่อนหน้านี้เนี่ยปีที่7หรือที่6กเนี่ยสุลฮุดไดเบี้ยสัญญาสันติภาพระหว่างท่านนบีกับกับกูเรชใช่ไหมแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยของสัญญาสันติภาพเนี่ยสิปีปรากฏว่าปีที่9นี่ที่ท่านนบีไปทําสงครามตะบูกับชาวโรมันเนี่ยที่เขาบอกว่าจะเข้ามาบุกคาบสมุทรอาหรับมามารบกับท่านนบีนบีก็เลยยกทัพ4ี่หมืนสออาบะสี่หมื่นคนเนี่ยยกทัพเนี่ไป ไปไปไปประทะกับกับโรมันท่านนาบีไม่ยังไม่ทันถึงตะบูกตะบูกนี่ตอนเหนือของของคาบสมุนตอาหรับนี่นะชาวโรมันนะ่ะรู้ว่าท่านนาบีเนี่ยยกทัพสี่มืน่นก็ถอยเลยแต่ในช่วงที่ท่านนาบีกำลังยกทัพภาพเหมือนอะไรไหมอ่าแล้วประเทศซาอุดียกทัพไปสู้กับอเมริกาทหารซาอุดีจ ะ, ะเผชิญหน้ากับมหาอำนาจอเมริกา คนทั่วโลกเนี่ยเขาจะคิดยังไงมีด้วยเรประเทศซาอุดีจะสู้กับอเมริกาเตรียมฉลองอย่างเดียวเตรียมฉลองซาอุดีแพ้อย่างเดียวเลยเห็นไหมมีใครจะคิดว่าซาอุาดีโดนซาอุดีชนะแน่นอนแม้กระทั่งตอนที่ตอนที่ตาลิบันไม่ยอมมอบอุซามาบินลาดินให้อเมริกาด้วยข้อหาว่า ถล่มถามตึกวอลตินวางแผนถ้าลมดูวอลตินอเมริกาก็ประกาศจะบุกจะบุกอัฟกานิสถานปราบปราบตอริบันแล้วก็กอยด์นะก็มีมีพี่น้องบางคนก็บอกนี่นี่อุซามาชนะแน่นอนมุจายดินชนะแน่นอน ถ้คงหวังดีล่ะถ้ามีบางอย่างนี่มันต้องมันต้องดูบริบทของมันด้วยเนะี่ยนี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติด้วยนี่ประเทศเล็กๆอย่างเงี้ยประเทศเล็กๆนี่จะสู้กับอเมริกานี่โนคนก็คงคงฟันตงอ่งล่ะ ว, ว่าไม่รอดนี่ก็เหมือนอาหรับที่เคยมีประวัติเป็นอาหรับเรีร่อนนะไม่มีประวัติเลยอนะไม่เคยมีรัฐเลยอาหรับไม่เคยไม่เคยมี มีความความยิ่งใหญ่เลยอะและอยู่ดีๆจะมาประทะกับอาณาจักรโรมันอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั้นนะ่ะคือเทียบแล้วเนี่ยก็เหมือนตอนนี้เหมือนตะวริกานาย บ, บียกทัพสี่มือนคนไปสู้กับโรมันอาระบมีทั้งคาบสมุทรอาระบะนะส่วนมากอะเตรียมฉลองแล้วฉลองฉลองว่ามุฮัมมัดและสาวกของท่านนี่นะจะถูกจับเป็นเชลยของโรมัน นี่ขนาดนบีชนะแล้วสงครามดิบิชิตมาการแล้วเนี่ยแล้วไปชนะสงครามมุตะแล้วนี่คือคือถือว่านบีได้ปราบข้าบสมุทรอาหรับเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยแต่ลึกๆเนี่ยอาหรับว่ยังไม่ได้รับอิสลามแล้วกาที่รับอิสลามการรับใหม่ๆก็ยังไม่ก็ยังไม่มั่นคงและมีคนนี่มีสัญญากับท่านนบีกลุ่มอาหรับบางคนมีสัญญาทําสัญญากับท่านนบีสัญญาสงบศึกนะ พอรู้ว่านบีเนี่ยจะไปรบกับโรมันนะ่ะด้วยความมั่นใจว่านบีจะไม่ชนะนะยกเลิกสัญญาสงบึกกับท่านนบีบิดเิวเพราเขามั่นใจว่าไม่รอดไม่รอดถ้ากองทัพของนบีเนี่ยไม่รอดสฮะบะตกร น, นุ่นนะ่ะจะเดินทางออกจากม ด, ดีนะ่นนี่นะเดินทางสองคนนี่นะก็ไม่รอดสองคนสามคนกลุ่มเล็กๆนี่นะไม่รอด ถูกฆ่าบ้างถูกจับเป็นเชลยศึกบ้างถ้าเจอมุชาลิกินใจดีหน่อยเนี่ยอนะใจดีหน่อยนะมุชาลิกินใจดีหน่อยนะเพราะว่ามาจากไหนมาจากมัดีนะอ๋อเป็นสาวกนบีใช่ไหมว่าใชา่นี่แบบใจดีนะเราจะไม่ปล่อยพวกคุณเนี่ยจนกว่าจะต้องสาบานสัญญาว่าจะไม่ต่อสู้กับท่านนาบีคือท่านาบีสู้รบกับใครอนข้าสมสะบูดอะรามาห้ามสู้กับเขา อันนี้แบบใจดีนะคิดดูสิมดคนไทยนี่ยุคที่เราอยู่กับสู้กับพม่าอย่างเงี้ยพม่าจับคนไทยคนหนึ่งบอกว่าจะไม่ปล่อยจนกว่าจะสัญญาว่าห้ามเป็นทหารไทยนะอันนี้แบบใจดีที่สุดนะแต่ทีน่าทึ่งนะสาบสองคนนี่กลับไปหาท่านนาบีแล้วก็เล่าเรื่องท่านนาบีนบีก็บอกว่าูฟ uh ีเบอร์ฮูดิฮิม วันอัสตางีนุลลอฮอะไรเราจะรักษาสัญญาพวกท่านทั้งสองเนรักษาสัญญาไม่ต้องสู้ระเบิดฉันเพราะนี้เมื่อสัญญา穆斯林เนี่ยคำไหนคำนั้นนะถึงแม้ว่าให้คำไปแล้วกับใครเ่ยคนที่เป็นศัตรูนะคำไหนคำนั้นนะนูฟีบิอูฮูดีมีสัญญาอะไรเนี่ยก็ต้องคำไหนคำนั้นต้องรักษาไว้วันอัสตางีนุลอเราจะขอความช่วยเหลือจาก Allah นี่คือบริบทเล่าเล่าบริบทนิดหนึ่งให้เราเห็นนะว่าคือสังคมตอนนั้นนะ่ะเขาอยู่กันยังไงก็หมายถึงว่าถ้าอธิบายง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่ามุสลิมตอนนั้นนะ่ะก็อยู่แบบนั้นแหละครับถ้ามุสลิกินนะ่ะเจอมุสลิมที่ไหนนี่ก็ประหัรประหารนะ่ะกองท้ามุสลิมไปที่ไหนนี่ก็ต้องประทะอย่างเดียวเห็นฆ่ากันอย่างเดียวท่ามการศึกดุเดือดแบบนี้ให้จให้หลักการศาสนาที่ พูดถึงประเด็นที่เป็นบริบทแบบเนี้ทำยังไงอ๋อมาม า, ม า, มาคุยกันมาคุยกันคือเขาไม่คุยอยู่แล้วไงยี่สิบสามปีอ่ะน บ, บีคุยกับเขาเขายกอยากคือถ้าคุยจนะคุยตั้งแต่อยู่มา ก, การุณนะ่ะสิบสามปีนะแล้วก็มาอยู่ที่มาดิน่านี่อีกอีกอี ก, อ, กอีกสิบปีรวมทั้งหมดในยี่สิบสามปีไม่คุยน บ, บีน บ, บีทำน บ, บีทำ ม, ม, มาแล้วจะขอคุยคุยดีๆ ด, ด้วย เสนออิสลามเอาไหมไม่เอาว่ามันไปแล้วฉันไปแล้วไม่เอาก็ไม่เป็นไรคือถ้าเป็นอยู่กันแบบนี้ ต, ตั้งแต่อยู่มาก้าทีนะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นเลยแต่นี่มันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่มีในทุกที่แหละถ้าหากว่ามีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเขาเขาเขาใช้ความรุนแรงอย่างเดียวเขาไม่รับฟังเหตุผลนี่เขาอีกฝั่งหนึ่งที่เขาหวังดีแล้วเขา ปรารถนาในเรื่องสันติภาพยกก็อยากจะคุยอะแต่อีกฝ่ายนี่ไม่คุยแล้วจะให้ทำยังไงเราจะยอมให้เขาปล่อยให้เขานี่มามามาเข็นฆ่าเรามามาเล่นงานฟรีๆอย่า ง, งั้นเหรอต้องเข้าใจนะนี่คือบริบทต่อก่อนูน้นนะอัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาละาจึงอนุญาตให้มุสลิมี น, นี่ได้จัดการระบบในคาบสมุทรอาหรับที่มันวุ่นวายเหลือเกิน แล้วไม่มีใครยอมใครสึ่งส่วนมากนี่ก็จะไม่มีอํานาจรัฐนะเพราะงั้นก็เป็นอํานาจพวกเผ่าพันธุ์ที่ตระกูลนู้นเผ่านี้าสายนู้นสายนี้มันไม่มีไม่มีรัฐไม่มีอํานาจรัฐเลยยามสงครามนี่พี่น้องลองนึกภาพเลยยามสงครามแบบนี้นะ่ะปะทากันยังดุเดือดแบบเนี้ยแม่ทัพออกคําสั่งนี่อยู่กันสงครามเนอะสมมุติว่าแม่ทัพไทยกับแม่ทัพพม่านี่ ไกลจะประทะกันแล้วแม่ถัาไทยนี่จะพูดกับทหารยังไงเฮ้ยเจอคนไหนนี่ฆ่า ม, มันเลยคำเนี่ยปกติไหมในบริบทนี้มันปกติไหมปกติที่สุดจะไม่ถือว่ารุนแรงจะไม่ถือว่าหัวรุนแรงไม่ถือว่าก่อการร้ายเฮมันสงครามนี่มันเป็นสภาพมันเป็นสถานการณ์ของสงครามต้องเอาบริบทเนี่ยมาอันเชิญบริบทเนี่ยมาเข้าใจอายะเนี่ยพร้อมบริบท ไม่ใชเอาสำนวนพักตุนมุสลิกีนะให้ตัวจะตุมูฮมได้เน่จงประหารประหารมุสลิกีนเหล่านั้นเธอที่ไหนนี่ก็ฆ่ามาเลยเห็นไหมนี่ไ ง, ไงอิสลามนี่สั่งให้ฆ่ามุลิมถ้ามองสำนวนอะนะเคิมดิเออใช่ยิ่งอ่านข่าวดูข่าวอยู่แล้วอ่ะนะพร้อมพร้อมไม่จะเชื่อเะ ส่วนอะไรเกิดขึ้นเมื่อพันสรปีบริบทของมันยังไงที่ไปที่มามันเป็นยังไงอะนะใครจะมีเวลาศึกษาล่ะใครจะมีเวลาเนี่ยอย่างเราที่มานั่งฟังมานั่งรับรู้มานั่งอะใครละ่ะยิงยิงทะยุคหรือเป็นสังคมหรือเป็นรสนิยมของยุคทิกตก็อกยุคยุคเทกเวทเทกเวทนี่เทกเวทนี่เป็นเป็นอาหารอาหาร ก็เลยกอาหารอะไรเออหิวกลับบ้านเทคเอาไว้ถ้าแปลเป็นภาษาเอาไปไกลๆคือไปร้านนะนะไปร้านเนี่ยแล้วก็จะให้หออาหารนี่ไปกินที่บ้านน่ะเขาเรียกกันเทคเอาไว้เทคเอาไว้เอาไปด้วยไม่กินที่นี่ทําไมอ่ะกูไม่มีเวลานั่งร้านไม่มีเวลาจะมาตั้งนั่งจับจานจับช่อมมันมีงานมีที่อื่นจะมีงานอื่นยุก เทกเอเรแล้วก็อย่าให้มีอาหารอะไรยุ่งยากนะมีแกงมีข้าวไม่ไหให้อยู่ในนั้นหมดแล้วก็พับน้ปังก็ยัดใส่ปากเลยไม่มีเวลาจะมาเอาน้ำจิ้มมา้วยมมีเวลานี่คนไทยตัวนีน้ก็เป็นแบบนี้แหละแต่เด็กรุ่นใหม่นี่เขาไม่กินก็เดี๋ยวกันแล้วกินอะไรเอฟซโดนัลมันมันเทกเกเงมันง่ายีม่มันยุคทิตอกนี่แหละ พอมาบริพวกคลิปก็เหมือนกันเหมือนกันเลยมาฟังบรรยายไม่จะ ร, รู้ที่ไปที่มาของอาญะเนี่ยฟักตูนมุชริกีนะ่รู้ที่ไปที่มาเล่าประวัติของ ช, ชาวอาหรับข้ามสมุทรอาหรับเป็นยังไงคลิปกี่นาทีครับบังสักชั่วโมงหนึ่งโโโโไม่ฟังเดี๋ยวนี้วัยรุ่นนี่คลิปห้านาทีนี่ยังปัดเลยฮะทิกตอกมีปะหนาทีไม่มีนะ ฮะติดตออัง้งซะอย่างอย่างนานช้าที่สุดเนี่ยก็สองสมนาทีใช่ป่ะใช่ป่ะห้านาทีไม่ไม่เคยเจอนะห้านาทีเนี่ยไม่มีแล้ว ม, มีใครดูเพราะว่าถ้าถ้าจะเอาห้านาทีเนี่ยไอ้พวกโ บ, นะนะ บ, นะบราณนู่นยนะูทูบนู่นพวกโบราณน่ะหัวโบราณนู่นบางบางอย่างนึกว่าเออพอพอเริ่มจะใช้เนี่ยนะเป็นของโบราณไปแล้ววัยรุ่นก็ไม่ใช้กันแล้วเฟซบุ๊กเดี๋ยวนี้มีแต่คนแก่ คนแก่ที่จะใช้เราเราก็เสียเปรียบในการที่จะนําเสนอข้อมูลที่มันที่มันต้องอธิบายเชิงศึกษาศึกษาแต่คลิปที่มันออกจะได้บิดเบือนน่ะทาได้ไหมบิดเบือนอิสลามในสองนาทีทําได้ไหมทําได้โอ้สบายเลยนี่ไงอายะนี่อยู่ในคุรานไหมอยู่แปลว่าอะไรประหารประหารมุสลิกินนี่ไงไม่ถึงนาทีเลยผมแล้วคนพร้อมจะเชื่อ เหมือนที่เคยมีมีพวกนักศาสนาบางศาสนาในที่เอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาบิดเบือนแล้วก็มามาเผยแพร่มาเผยแพร่ข้อบิดเบือนเนี้ให้คนไทยได้ได้รับรู้แต่คนไทยนี่ดีอย่างนึงอ่ะคนไทยดแีและเรื่องนี้เราต้องยอมรับนะดีกว่าที่ดีกว่าประเทศอื่นเยอะเลยอะไรที่เกี่ยวกัเรื่องศาสนาเนี่ยศา ส, สนาอะไรก็ตามนะ เขาจะไม่รีบไม่รีบสรุปไอ้เรื่องศาสนานี่มันเรื่องละเอียดอ่อนดีนครับนี่บ่อยว่าเรื่งศาสนามันเรื่องละเอียดอ่อนผมผมว่าเรื่องนี้เรื่องดีนะเรื่องดีนะมันเป็นเบรกธรรมชาตินะทุกคนแต่ทุกคนคนใดทุกคนนะะเพราะอะไรมันเก้าวกายแม้กระทั่งบางทีพี่น้องชาวพุทธในในศาสนาพุทธเองนี่นะบางทีใครจะมาพูดอะไรก็เขาเดี๋ยวจะยเน้นคนนี้เรื่องศาสนาที่มันละเอียดอ่อน และเท่าที่ผมได้มีประสบการณ์พูดคุยกับพี่น้องต่างศาสนิกพี่น้องชาวพุทธในประเทศไทยนี่นะเฉพาะในประเทศไทยนะอะไรที่คาดเคลื่อนอะไรที่เขาทําดูเหมือนว่าเขาดูถูกศาสนาหรือไม่ให้เกียรติศาสนาเนี่ยส่วนมากเกิดจากการที่เขาไม่รู้ไม่รู้ตั้งใจเหดียดหยามศาสนาตั้งใจดูถูกศาสนาเนี่ยมีไม่มีแต่ น, น้อยนอยไม่ถึงหนึ่งปอร์ น้อยมากซึ่งเทียบแล้วกับประเทศอื่นนะั่นน่ะโอ้โหเปอร์เซ็นต์นี้ถือว่าส่วนมากนะไม่รู้ไปเห็นสมมุติว่าเห็นมุสลิมมุสลิมทํางานหน่วยราชการหรือในภนะาคเอกชนเนี่ยจัดสัมมนาเขารู้ว่าเป็นมุสลิ ม, มะนะรู้ว่าเป็นมุสลิมแต่จัดหมูจัดอะไรฮ อ, อาหารที่ไม่ฮาลา บางีมุสลิมรู้ดิเขาไม่เกลียดไม่เกลียดอิสลามไม่เกลียดมุสลิมเลยไม่ใช่เขาไม่รู้เขาไม่รู้บังเอิญอาจจะเขาไปเจอมุสลิมกินหมูกินอะไรกินเหมือนกับธรรมดาเขาก็เลยเข้าใจว่าออม ม, มันคงเรื่องเล็กอะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากอ่ะใช่ไหมเออเจอมานัดจัดปาร์ตี้เอ่อ เจ้านายเจ้านายเขาได้ตำแหน่งใหม่เขาจัดปาร์ตี้จัดเต็มเลยมีเหล้ามีเบียร์มีอะไรต้องก็มีพนักงานมุสลิมชุดหนึ่งเขาไม่เกลียจไม่เกลียดเราเลยเปล่าเขาเขาไม่รู้บังเอิญมีเพื่อนมุสลิมเนี่ยเขาเขาธรรมดาเขาก็ึเงื้งเขาก็ดื่มธรรมดาเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมุสลิมก็ดื่มได้ถ้าถ้าชี้แจงแล้วก็อธิบายล่ะส่วนมากกันนะ่ะจะเป็น จะเป็นราชาการจะเป็นคนทั่วไปจะเป็นคนมีความรู้ ม, มีความรู้นี่พออธิบายเนั่นอ๋ออไม่รู้ไม่รู้นี่เป็นเรื่องดีที่เราต้องต้องต้องต้องถือว่าเป็นเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีนะที่ทําให้การอธิบายชี้แจงในบ้านเราเนี่มันมันง่ายกว่าที่อื่นและจากการทํางานด้านด้านสิทธิมนุษย์เนี่ย 99% ของปัญหาที่แก้ไขเนี่ยเก้า ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงดขั้นดำเนินตามกฎหมายไม่ใช่อีอชี้แจงทำหนังสือชี้แจงยกหูคุยส่วนมากเป็นแบบนั้นส่วนมากกจะเป็นแบบนั้นพอเราได้เข้าใจอายานี่ที่ไปที่มาของอายานี่เอ๋ออายานี่ก็เหมือนออกองทัพ จะประท่ากันสองสองสองกองทัพนี่จะประท่ากันและแม่ทัพนี้กับแม่ทัพนี้นี่ก็รู้ในความดุเดือดของสงครามนี้เนี่ยไม่มีใครเลี้ยงใครเลยนะแม่ทัพนี้ก็ออกคําสั่งออกบัญชานี่เจอฝั่งนูน้นนะเจอใครนี่ก็จัดการประหัดประหารชีวิตเนี่ยเลี้ยงอยี่ยเอาไว้เลยนะในบริบทเนี้ยคำสั่งแบบนี้เนี่ยมันก็ธรรมดาธรรมดาที่สุดแล้วก็บริบทมันเป็ น, น, ปนแบบมันเป็นแบบนั้นในคาบสมุทรอาหรับ ในในทุกทุกช่วงโดยเฉพาะอย่างที่ผมเคยอธิบายมาแล้วนะโดยเฉพาะในยุคนั้นหนาะหพันสี่ร้อยปีอะนะคนที่จะมีอํานาจเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านนะเออไม่ใช่คนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงอูดชาวบ้านชาวาไม่ใช่คนที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จนี่ก็คือพวกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นําหัวหน้าเป่าคนที่มีผลประโยชน์ คนเหล่าน er ี้แหละพอเห็นนบีมุฮัมมัดละ صحاب านิเลกคหัมเจวิกคหัมบูชาดอกเบี้ยคหัมกู้เขากิดธุรกิจโสเภนีก็ไม่เห็นมีกิดธุรกิจของของคนะคนคนผู้นําในสังคมนูนะนะสังคมหนูนะ่ะผมพู้สังคมคนหัวหัวในสังคมมานะก็นี่ในธุรกิจเขา ผู้นำกูดิชเนี่ยอะไรขายจะเวตปล่อยดอกเบีย้ยปล่อยทาาขายตัวคุณอานพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยนะธุรกิจของเขานีขึ้ขนนี้และมีคนกําลังจะมาปราบธุรกิจเถื่อนแบบนี้ทำยังไงโอ้คนศัตรูศัตรูคือมาขัดแย้งกันในเรื่องความคิดอะไรนี่ไม่เท่าไรแต่มาขัดแย้งกันในเรื่องรายได้อะนะอาจเป็นเอาตาย ชาวบ้านอาจจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาตามผู้นําเนี่ยผู้นาลุยชาวบ้านก็ต้องลุยนี่ในสงครามบัตรหลายคนนะที่ท่านนาบีจับเป็นเฉลยหลายคนนะ่ะนะถูกบังคับถ้าไม่ออกนี่มึงตายถ้าไม่ออกนี่พ่อมึงตายลูกมึงตายก็ดูบังคับไปออกชาวบ้านชาวบ้านนะ่ะคือที่เขาไม่มีผลประโยชน์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในในเรื่องในเรื่องนี้ หรือถ้าเขาอยู่ในบรรยากาศที่มันปกติน บ, บีเสนออิสลามแล้วเขามีอิสระภาพในการที่จะเลือกศาสนาเขาเลือกอิสลามอย่างเดียวเลยนี่เราเห็นแม้กระทั่งคนที่เป็นทาสนะคนที่เป็นทาสในยุคนั้นนะซึ่งเงื่อนไขในการบังคับชีวิตเขาเนี่มันมีพอสมควรแต่เขาเลือกที่จะรับอิสลามเพราะเห็นหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยมันตอบโจทย์ ตอบโจทย์ความเป็นมนุษย์นที่มันมีในตัวเขาแล้วบริบทกฎเกณฑ์นในสังคมเนี่ยมันยึดความเป็นมนุษย์จะเข้าไปแน่นอนคนอย่างเบลล์พเป็นพเป็ น, ปนทาสเป็นคนผิวดำนี่ก็ถูกดูถูกเสียสีถูกเหยียดหยามแค่ได้ยินฮ a d i ท่านเนบส ล, ละฟัต ล, ละเยวอาสวสไม่มีความประเสรดดิฐใดๆสำหรับคนผิวขาว จะเหนือกว่าคนผิวดำไม่มีไม่ไ ม, ม, มีแค่แค่ฝังแค่นี้เนี่ยก็ต้องทึ่งแล้วและอันนี้เนะี่ยที่ทำให้คนแอฟริกาหลายคนที่เข้าศาสนาคริสต์โดยบังคับเหมือนกันช่วงช่วงจักรวรรดินิยมเออจักรวรรดินิยมนี่นะก่อนที่จะส่งกองทัพไปเนี่ยก็จะส่งแมชชนอรี่ ไม่ไม่รับศาสนาคริสต์นะเด็กของท้าตามมาตามมานี่ก็ต้องรับโดยโดยปริยายถึงขนาที่อังกฤษเนี่ยไปยึดไปยึดซาวส์แอฟริกาแอฟริกาใต้ชาวบ้านที่นู่นคนแอฟริกาส่วนมากนี่ก็ก็รับศาสนาคริสต์รับศาสนารับแล้วน呐 รับศาสนาคริสต์แล้วอะนะแต่อีกคนคริสเนี่ยร่วมถึงบัตรหลวงของเขาด้วยนะแล้วก็ช่วงนั้นนะก็ก็ก็อยู่ในช่วงการปกครองของคนที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันเนี่ยรับรู้รับรู้คริสใช่ไหมคริสผิวดําห้ามเข้าโบสถ์ของคริสผิวขาวพวกเองไปไปไ ป, ไปสร้างโบสถ์ที่อื่นซะ นังลองคิดดูสิเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมมั้งมั ส, สยิดนี้เฉพาะเฉพาะคนะคนผิวผิวธรรมดานคนผิวต้องไปสร้างมั ส, สยิดที่อื่นเคยนะมีคนหนึ่งบังอาจส่งคําถามให้อุลามาที่ซาอุดีส่งคําถามบอกว่าท่านเห็นยังไงครับมั ส, สยิด มัสยิดที่ประเทศซาอุดีเนี่ยมัสยิดหรูนะพรมปูอย่างดีติดแอร์แล้วก็มีจุดจุดสนามไม่หอมทุกเวลาเออก็มีทําความสะอาดมีฉีดนู่นนี่ผมบอกว่านี่มัสยิดของเราหนิสะอาดอย่างดีแต่สิ่งที่มันทําให้คนมาละหมาดเนี่ยไม่สบายใจเนี่ยก็คือพวกแรงงานต่างด้าวต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็แต่งชุดไม่ดีบางทีไม่สะอาดกลิ่นเหม็น แล้วเข้ามาเนมั ส, สยิดมันมันเรียบร้อยสะอาดจจะอ้านนะมาแล้วก็มันสร้างความรำคาญดีไหมให้เขามีมั ส, สยิดที่เป็นละหมาดของเขาเขาไม่ต้องมารบกวนชาวบ้านบางอาจไปถามอุลามานะลออุอลามาซาอุดีนะอุลามา ด, ดังๆจัดเต็มเลยลูกเอ้ยเขาเข า, เขาพูดกับคนที่ถามเนี่ยเพราะเพราะอุออลามาคนนี้นี่แปดสิบแล้วลูกเอ้ยเราอะคนซาอุดีเนี่ย เมื่อห้าสิบปีอะนะเดินกันตามถนนนี่นะฝุ่นตลบเลยนะ่ะไม่อาบน้ํากันเป็นหลายวันนะ่ะโหนี่จัดเต็มเลยว่าเราตะกอนนู้นนะ่ะเป็นยังไงอะคนซาอุดีเนี่ยเป็นยังไงอะ่ะแล้วอัลลอฮ์ให้เราได้มีเนา ม, มาได้มีอะไรเนี่ยจะมาถีบนา ม, มาที่อัลลอฮ์ให้มานี่ได้ยังไงคนแรงงานแต่งด้านี่มานี่เขาอาจจะมาดิ้นรนหาไรายได้เลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกสาวผู้หญิงเลี้ยงครอบครัว เขาอาจจะมีดูอาที่นี่แล้วเขายกขันที่สุทนทรนบี <c oughs> ว่าคนที่คนดีไม่มีใครใส่ใจเขาหนึ่งแต่เขาดูอาเขาอาจจะเป็นดูามุสจาบว่าค น, คนงานเนี่ยที่มาและหมาที่มัสยิดเนี่ยที่มายืนใกล้เราเนี่ยเขาเขาอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดูอาของเราและมาของเราเนี่ยถูกตอบรับนะที่ไปดูถูกเขาเด้ไงไหมจัดเต็มเลยเพราะในเนื้อหาของหลักการเนี่ย มันไม่มีแบ่งแยกอ่ะย้อนกลับมาไม่มีแบ่งแยกกรนดึ๊งนี้ไม่มีแบ่งแยกกระดึ๊งนี้ก็เคยมีผ <c oughs> ู้รู้ที่รุนรงรุ่นรง์ที่ซาอุดีเนี่ยพาะคนซาอุดีเนี่ยพาะจํานวนไม่น้อยไม่น้อยนะที่แบบว่าดูถูกคนต่างต่างต่า ง, างชาติน่ะคนบังกลาเทศคนอินเดียปากีที่ไปทํางานแบบอาชีพเก็บขยะอะไรแบบเนี้ จะมีแบบว่าคนซาอุดีก็จะจะดูถูกเขาหน่อยวันลมาที่นูนก็ทำคอมเพนรน ร, นรงรนรงให้เกียรติรนรงให้คนซาอุดีเนี่ ย, ซ, ยซื้อของขวัญแล้วก็ลงไปขอบคุณเขาบอกว่ า, วาถ้าคนพวกนี้ไม่เก็บขยาย้เราเราจะอยู่อยู่ได้ไงคนนี้จะมีความรู้เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะที่จะคอย <c oughs> สกิ คนในสังคมเนี่ยไม่ลืมคําสั่งสอนและทุกวันนี้เนี่ยที่หลักการอิสลามยังสง่างามเนี่ยและมีความเด่นชัดเนี่ยในความแตกต่างกับคําสั่งสอนอย่างอื่นเนี่ยก็ว่าคนที่ผู้รู้ที่กําลังเผยแพร่หลัการศาสนาในทุกวันนี้เนี่ยเราจึงเห็นความเด่นชัดของอิสลามแต่มีอะไรที่มันล่วงเกินเลอะเทอะ ที่มันบิดเบือนหลัการศาสนาเนี่ยก็ผู้รู้นี่แหละที่ออกมาทําหน้าที่ไม่ใช่คนอื่นมีก็เหมือนกันนะครับห <c oughs> ลกักการศาสนาที่อิสลามถูกไปสีมานานนานแสนนานนั่นก็คือเรื่องก่อการร้ายเรื่องก่อการร้ายในคุตตานทั้งหมดเนี่ยมีอายะที่สั่งให้ประหัดประหารมุสริกินไม่ต้องมองทั้งบริบทนะอายะ อาะทั่วไปที่เกี่ยวกับการบาปบาหานมีอายนี้อายะเดียวกุษุนี่มีอยู่หกพันอายะหยิบอายะเดียวสมมุติว่าอายะนี้ที่มันชัดที่สุดนะแต่ว่นมีอายะอื่นอ่ะสักหอายะหรือสิอายะทั้งหมด10อายะจากหกพันอายะตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องบริบทนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องบริบทจากหกพันอายะซึ่งอายะอื่นที่มีที่พูดถึงเรื่องความเมตตาการการให้เกียรติซึ่งกันและกันการ ดาวาด่าโดยเอกมาการกันไม่ใช่ความรุนแรงซึ่งอญญายะนี่เป็น10บสิบนะเราทิ้งหมดเลยนะหกพันกว่าอญญายะเนี่ยแล้วก็มาจับเฉพาะหอญญายะสิบอายะนี่บางคนนี่ไงอิสลามรุนแรงไม่แฟร์ไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เลยคํา เ, คเดียวเนะี่ยถ้าเราเจอคนแบบนี้เนี่ยบางคนี่อญญายะนี้มีในคุตั้นบางคนใช่มีในกุตัานแต่ว่าหนึ่งอยากรู้ไม่ทีไปที่มาบริบทเนี่ยเออถ้าเขาอยากอยากอยากจะฟังงนนะั้นเรอธิบายเขา แต่ถ้าเขา บ, บอยไม่ฟังไม่ฟังนี่มันชัดอยู่แล้วประเบบมันมีไงมีพวกนี้เฮ้ยไม่ฟังไม่ฟังเอาไม่ฟังฟังนี้มีอีกไหมีอะไีกไหมคือที่จริงเนี่ยเขาฟังแค่นี้ไงพอพวกยุคทิกต็อกไงที่ต้องฟังแค่สองนาทีในจบแล้วเขาสรุปลงไงในอายะเดียวมีอีกมะมีอีกมะอ้ยมีมีอายะอายานี่อายะเดียวที่ผมรู้มาเออแล้วก็ศึกษารอบข้อเพื่อเปล่า อันี so uno, ้ะมีีช่หรื่าใช่อายะเดียวคุณรู้ไหมว่ากูอานนี้มีกี่อายะหก0ันอายะคุณเอาอายะเดียวแล้วไม่ได้ศึกษาหก0ันอายะที่พูดถึงเรื่องอื่นและแลก็มาใส่ร้ายเหมารวมอิสลามทั้งหมดเลยเนี่ยว่าเป็นศาสนากาะกะไรหรือมุสลิมทั้งหมดเนี่ยกัะกระไรเป็นไปไดไงเช่นเดียวกันถ้าท่านได้เห็นกลุ่มที่ที่อาจจะก่อเหตุ โดยอ้างอิสลามเนี่ยก็เหตุรุนแรงโดยอ้างอิสลามอ่ะนะแล้วเราไม่เข้าใจนี่ไงไม่นี่มุสลิมใช่ไหมอยากจะฟังไม่ที่ไปที่มาของกลุ่มบางง้องก็มีมีที่ไปที่มาไม่เจอเจอคนต่อยคนบอกว่านี่มันรุนแรงคุณไม่คุณมึงเพิ่งมาตะกี้เองไม่รู้ว่าคนนี้เขาไปทําเขาก่อนหรือเปล่าโอ๊ยไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังอถ้าไม่ฟังนี่ก็บอกว่เอาเอาอย่างนี้ ครอบครัวครอบครัวหนึ่งสมมติว่ามีอยู่ห้าคนลูกคนหนึ่งลูกคนเดียวนะเกเรเราจะเราสามารถที่จะบอกให้ครอบครัวนี้เลวทั้งครอบครัวเลยมันแฝงไะยินดีทําหมนี่สมมุติอย่างที่คุณคูยจริงอะนะว่าก่อการร้จริงนะสมมุตินะประชาชาติอิสลามเนี่ยมีอยู่พันกว่าล้านอะแล้วมีอยู่กลุ่มหนึ่งทําอะไรที่มันเป็นเหตุรุนแรงและก็อ้างแอบอ้างอิสลามสมมติว่ามันเป็นจริงนะเป็นเรื่องจริงอย่างที่คุณอ้างนะแต่นี่กลุ่มเดียว ส3 0 0มรอคนแล้วไบฮาอิสลามนี่เป็นพันล้านคนคุณก็เหมามุสลิมนั้งบนนี่เป็นก่อกะไยใครที่มีข้าวนี่ก็ไมยหัวไว้เกาะนี่สนามเป็นสวนนะภูมิลองดิใส่กางเกงในเออใส่กางเกงในไม่ต้องใส่ อ, อื่นไม่มีใครว่าอะไรเลยแล้วก็ผ่านด่านไม่มีใครตัวนไม่มีใครอะไรเลยไม่เป็นที่ตำหนิแต่ลองใส่ชุดนี้ดิ ชุดนี่ยังดีน่ะแพงด้วยนะลองใส่ชุดนี้ดิอ๋ผมเคยเล่าให้เพนน้องฟังก่อนสูตรหัวชนฝาเลยมาตรวจผมทำไมมีระเบียบไหมมีระเบียบหรือเปล่าตอนนั้นวันนั้นนายยอมถ้าถ้าตกเครื่องนี่ตกตกกระตกมีระเบียบไหมมีครับขเขาก็เอายกมาโอ้โหนี่ตำรานี่หกเจ็ดเล่มมานะนั่งหากันหากันหาไม่เจอหัวหน้าก็มา หัวหน้ากับแบะแบะตอบไม่ได้ผมอยากเจอหัวหน้าของคุณอีกทีนึง่งหัวหน้าหัวหน้าไ ม, ไม่ไม่สะดวกไม่รู้ว่าคุยยงทําไมเป็นระเบียบนี้ผมฟ้องคุณเจอแล้วครับเจอแล้วครับระเบียบผมมาซวยแลย้วกู <c oughs> มีระเบียบจริงด้วยผู้ใดที่สวมโต๊โต๊ะปะสระโอตอปอโต๊ะปะโตบะปะ มันไม่ใช่ภาษาไทยแต่เขาเขียนน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชภาษามันต้องสือแขกนะมันเป็นระเบียบของส่วนนะพูมถ้าสวมโตบเนี่ยให้ให้ให้ตรวจและเจ้าหน้าที่เขาจะมีสิทธิสิทธิ์พิเศษของเขาอะนะเขาสุ่มตรวจได้หรือสงสัยใครนี่ก็สงสัยได้ซึ่งข้อสงสัยนี้แน่นอนคนโกนเขาอะนะไม่น่าจะเป็นที่ที่น่าสงสัยแต่คนไว้ข้าวนี่แบบนี้เนี่ย น, น, น, น่าสงสัย ใช่ไหมผมแบกใจว่าก่ อ, อการร้ายไอ้ที่เขาอ้างว่าก่อการร้ายไอ้ที่เขาระเบิดน่นไม่มีใครไว้เข่าสักคนหนึ่งนะพอคนจะระเบิดจะทําอะไรเนี่ยเขาไม่ไว้ข่ากันนะแต่ทําไมต้องต้องต้องโฟกัสล่ะเนี่ยมาตรการเหมารวมบริโภคข่าวมาซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าคนที่ไม่หวังดีกับมุสลิมกับอิสลามเนี่ยโอ้โหเล่นเล่นงานอัดอัดฉีด ข่าวสารเนี่ยคือจะได้ให้คน <c oughs> ได้ได้ตระหนักได้ตระหนักว่าจริ ง, รงช่วงสิบกันยานันะน่ะไม่มีใครรอดแม้กระทั่งมหาเด น, น, านายกนายกมาเล่ต้องถูกตรวจถอดรองเท้ายังไม่มีศักดีเลยระดับนายกนายกประเทศมุสลิมมันยังไม่รอดเลยเพื่อไม่ต้องพูดนะ เค่องบินที่ไม่ยอมขึ้นกับตันไม่ยอมขึ้นเพราะอะไรเพราะมีคนหนึ่งไปดูไปเช็คลิสต์เนี่ยมีคนนึงชื่อโมฮัมหมัดไม่ขึ้นคนคนี้ต้องลงอันนี้ตะก่อนนู้นน่ะนะโอ้นับไม่ถ้วนเหมารวมซึ่งดูแล้วเนี่ยถ้าเอามาตรฐานสากล น, น่ะนะคุณไปทําเขาไม่ได้คุณไม่มีหลักฐานที่จะกล่าวหาเขาอะเขาเป็นก่อก า, ารร้ายคุณไม่มีหลักฐานแค่เขาใส่โต๊ะไว้เขาแล้วคุณจะไปสงสัยเขา มันมันไม่แฟร์มันไม่ถูกต้องอะมันไม่มีความเป็นธรรมอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ได้เห็นมันเกิดขึ้นในโลกในโลกของเราอย่างอย่างประจักษ์ชัดนะครับอัลลอฮ์บอกว่าฝักตู้ลมุชริกีนฮะイスัวา ج ตุมูจงประหัรประหารมุชริกเหล่านั้นมุชริกเหล่านั้นนก็คือมุชริกีนที่บอกว่าเขามีกี่ประเภทอ่ะ ปะเที่มีสัญญา ม, มีสัญญามีสัญญาชั่วคราวอ่าและผู้ที่ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์ชัดเจนคนเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเต็มเดิมเหมนะก็คือคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามในเมื่อเขาไม่ได้รับอิสลามเหมอนนะตอนนั้นน่ะในข้าวสมุรเมีสองขั้วขั้วมุสลิมและขั้วที่ไม่ใช่มุสลิมขั้วที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไม่ปรารถนาไม่อนุญาตให้มุสลิมเนี่ยเผยแพร่อิสลามและใครที่เผยแอิสลามเนี่ยก็จะถูกต่อต้าน ในมักกะเนี่ยก็เป็นก็เป็นตัวอย่างของการประทะในช่วงแรกๆเลยนะที่ยังไม่มีอะไรเลยนะแค่พูดคุยแค่เชิญชวนคนก็มารับอิสลามคนก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเลิกกินเหล้าเลิกเลิกทำซีนาเลิกเลิกทำเรื่องชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยปรับปรุงชีวิตของเขาอย่างดีแค่นี้น่ะนะช่วงสามปีแรกๆของของของดาวะของท่านนาบีเนี่ยก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรง ตอนนี้อพยพไปไปเอธิโอเปียฮาวาช่าซิลิมบันนะสบงหา <c oughs> แล้วก็ชากุริจก็ส่งตัวแทนเพื่อจะได้ให้กษัตริย์ของฮาวาช่าเนี่ยได้จับคุมมซิลิมนี่แล้วก็ส่งกลับ <c oughs> เออมีอินเทอร์โบเนี่ยตั้งแต่สมัยโน้นนะ่ะนะตำรวจโลกอะจับตัวแล้วก็ส่งส่งกลับเออมีเหมือนกันนะ ส, สมัยโน้นนะ่ะ กษัตร า, าชี้เนกษัตริย์าาของอชาษณ์ถามุสลิมเนี่ยอะไรเป็นมันเรื่องมันเป็นอะไรเขก็เปล่าเลยเรานี่ก็เป็นพี่น้องกันน่ะกูได้ยินนะก็เป็นพี่น้องกันญาติพี่น้องกันอยู่ในที่เดียวและไหน บ, บีคนนี้เนี่ยได้มาสอนเราเนี่ยให้ให้เลือกทําความช่วยให้ติดต่อเครือญาติให้เลิกโกหกให้าาให ล, หใหละทิ้งการบูชาจว็ตเราก็เชื่อเชื่อฟังเขาแล้วก็ ปฏิบัติปรับปรุงชีวิตของของเราเนี่ยให้ดีให้ดีขึ้นนี่คือนี่คือสิ่งที่สหมามะก็ได้สรุปเหมือนเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนถ้อยแถลงแถลงการน่ะเอออะไรอะไรมันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นนี้ก็คือเราเคยอยู่กับเขาแบบมั่วซั่วแบบแบบไม่แบบเลอกเทอะแต่พอเรากลายเป็นคนดีไม่ทำความชั่วเหมือนเขาเขาก็ไม่พอใจ แถลงการของของของซาฮบะนี่มันให้เห็นภาพเลยนะว่าขา้อเท็จจริงนี่อ่ะที่เขาไม่พอใจนี่เขาเขาเห็นเขาเห็นมุสลิมได้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้แล้วนี่มักจะเป็นปัญหาของของทุกกลุ่มทุกแก๊งอะนะที่เขามีปม ม, มีมีจุดจุดด้อยของเขาทั้งกลุ่มนะสมมติว่ามี ม, มีมีอยู่หกคนหกคนนี่สมมตินะ อันนี้เราไม่ได้ดูถูกคนที่เขามีพฤติกรรมแบบนี้แต่แค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าหกคนเนี่ยกินเหล้าเสพยาทั้งหกคนมมีคนหนึ่งเฮ้ยคูไม่เอาแล้วอ่ะแค่นั้นแหละ <c oughs> อ้าฮ้ยว่ารล่ละเกนย <c oughs> มาแล้วเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยอันนี้อันนี้อันนี้นนแบบซอฟ์นะ แต่กรารการณ น, นี่ก็คืออันนี้คือเบาเบานะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วอะนะเฮ้ย hey, มึงยืมหน่อยสองบันจะไปะไปซื้อซื้อเหล้าซื้ออะไรเฮ้ย hey, ของบาปนี่กูไม่ให้หรอกเฮ้ย hey, มึงไม่ก็เมียมึงมึงไปเลยออกจากกลุ่มเลยใช่ปะ่ะเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ปะ่ะแบบนี้เลยการนั้นแหละที่เกิดขึ้นสมัยท่านนาบีที่มาการ์นั่นแหละกู อ, อยู่กันยังไงเต็นโซไปนี่นมันอยู่หน้ากาบา ดื่มเหล้ากันน่ะเหมือนน้ำดอกเบี้ยนี่ว่าเล่นน่ะการพนันนี่ทุกอย่างคือพนันกันทุกอย่างอะเหมือนแบบนี้พนันไหมคนที่ลงมืนี่เป็นผู้หญิงพนันไหมไอ้คนที้จะขึ้นเป็นผู้ชายอะไรแบบเนี้ยเลิศเถอะพอเจอคนนี่ไม่เอาแล้วเรื่องนี้ไม่เอาแล้วอยู่กันได้ไงอะไม่ผู้หญิงก็ไม่เอาเหล้าก็ไม่เอาเอการพนันดอกเบี้ยอะไรไม่เอาไม่เอาอะไรเลยอยู่จะอยู่กันได้ไงมันก็ต้องแยกกันสิ อันนี้อ น, นี้มันกลุ่มหนึ่งคนเดียวอยากเออแยกไล่ไล่ออกจากกลุ่มเลยไล่ออกจากกลุ่มเลยที่คนดีมาทำแบบนี้บ้างหกคนสิบคนก็บอกว่าเออเราเราจะต้องสิหัดตักเตือนกันนะเราจะได้ไม่ทำบาปไม่ทำความชัแต่มีคนบางบอกแม้ว่ า, า, วากูจะทำกูจะกินคนอื่นเขบอกว่าถ้าถ้ายังขืนไม่ไม่ไม่ยอมรับในกติกาในอะไรของเราเนี่ยก็คุณอยอย่ า, อ ย, าอย่าไม่อยู่กับเราดีกว่า เฮ้ยใจแคบว่าใจแคบหัวรุนแรงอัมาเป็นชุดมาเป็นชุดคนดีก็มักจะไม่ต้องพูดคนดีนะดูเหมือนเอาดีใส่ตัวนะคนคนที่เห็นต่างคนที่เห็นต่างแต่เป็นฝ่ายที่แบบว่าไม่ก้าวร้าวไม่นันก็จะก็จะโดนก็จะโดน ก็จะโดนเหยียบหัวอย่างที่เราเห็นกันนะสงครามสงครามหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะปกป้องอธิปไตยดินแดนปกป้องผลประโยชน์ปกป้องศักดิ์ศรีของประชาชนสหราชาอาณาจักรนี่นี่ตัวอย่างมันบังเอิญ น, นะไม่ได้ตั้งใจอะไรนะอังกฤษนี่ประกาศสงครามกับจีนเพราะอะไรเพราะจีนเนี่ย ออกกฎหมายห้ามค้าฟิลลแล้วตกอนนู้นนะ่ะรัฐบาลอังกฤษเนี่ยค้าฟิลลน่าีนะ่เลยรัฐบาลนะค้ายาเสพติดนะแล้วพอ ร, รัฐบาลจีนบอกโอ้โหอยู่คนจีนอย่งงอมแแล้วไม่เหลือฟินขายถูกด้วยรัฐบาลรัฐบาลอังกฤษเนี่ยได้กําไรมหาศาลนะพอ ร, รัฐบาลจีนประกาศว่าไม่ประกาศสงครามนะประกาศยกทัพสู้กับประเทศเลยนะเพราะ มึงไม่ยอมไขายฟินแล้วในในปฏิทิศของเขานะมันสิงที่ไม่น่าเชื่อเลยมึงมีอายละเอยียอื่นๆนะแต่อันนี้อันนี้คืออันนี้คือคือโครงสร้างหลักๆกกของสองครามที่มันเกิดขึ้นจึงถูกเรียกว่าสงครามฟินสงครามฟินมีนักวิเคราะห์บางคนนะบอกว่าที่อเมริกาเข้ามาบุกอัฟกานิสถานเนี่ยไม่ใช่เพราะบินลาดินไม่ใช่เพราะตาลิบันไม่ใช่เพราะก่อการร้ายไม่ใช่เพราะถล่มตึกวัวเนี่ย บอกว่าื้องหลังเบื้องหลังนี่ก็คือฟินอัฟกานิสถานนะ่ะนะเกของฟินในโลกเนี่ยฟินที่เป็นสิ่งเสพติดนไม่ใช่ไม่ใช่คาเฟอีนเพราะคาเฟอีนนี่ก็มาจากฟินเหมือนกันนะคาเฟอีนที่ใช้ในในห้องผ่าตาดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็มาจากฟินเหมือนกันไม่ใช่ฟินที่เป็นสิ่งเสตนะาาพติดเนี่ยบนตี่มาจากอัฟกานิสถานและตอริบันเนี่ยสามารถ ปราบปราบกระสฟินเนี่ยจนเกลี้ยงเขาบอกว่านักวิเคราะห์บางคนนะบอกว่านี่น่าจะน่าจะมีปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทำให้มีอาจจะมีพวกนายทุนพวกพ่อค้าพ่อค้าสิ่งเสพติด ร, รายใหญ่ที่มีอิทธิพลกับรัฐบาลมหาอำนาจเนี่ยเออไม่ไหวแล้วไม่ ปินมันราคามันขึ้นแล้วก็จริงด้วยว่าอเมริกาเข้านะอ่ะนะอนนี้สามประชาชาตนะิน่ะเป็นคนออกแรงงานตอนตาลิบันเนี่ยไม่มีไม่มีเหลือห้าปอร์เซนตพอตาลิบันเนี่ยล้มแล้วแล้วก็อเมริกาเข้ามากลับเหมือนเดิมเก้สิบเเซอันแปลว่าอะไรมันมันก็ต้องอดอดสงสัยไม่ได้อะทันมีมันต้อง ม, ม, องมีอะไรสักอย่างหนึ่งหน้าที่ใดก็ตาม ให้สัวยตุมูที่พวกเจ้าพบพวกเขาเพราะมันเป็นมันเป็นสถานะของสงครามที่ดุเดือดและจงจับพวกเขาและจงล้อมพวกเขา น, นี่อุลามะงท่านบอกว่าทุกคำเนี่ยที่ที่คุณอ่านเนี่ยได้ได้สั่งให้ทำกับเขาก็คือเขาทำกับมุสลิมมาแล้ว เจอมุสลิมที่ไหนฆ่าอย่างเดียวเจอที่ไหนนี่ล้อมมันอย่างเดียวเอาเป็นเชลยศึกจับมันเลยและมีคำคำสั่งจากพวกมุชริกีเนี่ยคล้ายๆคําคสั่งเนี่ยที่เขาสั่งกับลูกน้องของเขาเนี่ยให้ทำกับมุสลิมกับแบบนี้จึงไม่แปลกถ้าหากว่าคุรอรานได้สั่งแบบนี้เนี่ยในช่วงนั้นนะ น, นะกามบริวทมันก็เป็นการตอบโต้ไงมันมั น, ม, นมันไม่ได้เป็นการดิกเริ่มทำทำแบบนี้กับเขาแต่เป็นการตอบโต้ ف ั ن ت ้นทั้แล قام وا الصلاة وآتا الزكاة فخلو سبيل ه, ة م إن الله غفور رحيم ถ้าทั้วกเขาสานึกผิดกลับตัวกัาบสานึกผิดกลับตัวและดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและอั قام ลา ص ل ة. آ, ا ة وآتا الزكاة ل ละฉันไแล้วแล ا م ل ص ل ا و س ت فخلو سبيل لهم ก็จงปล่อยพวกเขาไป ถ้าเขาอยู่ในอนาณาเขตของรัฐอิสลามนะก็จงปล่อยเขาไป im, ah ann, ah od, um อินนัลลอฮกะฟูรรหีมแท้จริงอัลลอฮนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเพราะศาสนาเนี่ยไม่ ไ, ไ, มไ้ไม่ได้ม่ได้มีคือศาสนาไม่ได้กระหายเลือดไงไม่ต้องต้องต้องการฆ่าประหาดประหารอย่างเดียวไม่ใช่วตัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ก็คือให้คนได้รับ诲ดายะถ้าคนได้รับ诲ดายะได้เข้าใจหลักการคำสั่งสอนที่ดีแล้วก็ปรับปัวปรับตัวให้ดีใหส้สมเกียรติของความเป็นมนุษยท์ที่พระเจ้าสร้างไว้เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องต้องประกาศสงครามหรือจะประหารชีวิตแต่งได้แต่เขาไม่อยาก การบอิสลามไม่อยากการับอิสลามไม่อยากจะลมาดไม่อยากไม่อยากการบอิสลามคือคือรับอิสลาก็คือละหมาดและกระกาดไงแต่ก่อนนู้นน่ยมันเป็นสองอย่างที Hungary> ่มันเด่นชัดละหมาดนี้มีมัสยิดคนไปละหมาดเห็นแล้อันนี้สังคมนิมุสลิมมีรัฐอิสลามเก็บกะสกาดจะได้ช่วยคนยากจนเนี่ยอันนี้ชัดเจนมันมันสองอย่างที่มันเด่นชัดมากละหมาดและกระสกาด คนนี้ไม่ละหมาดและไม่สกกดในยุคนั้นนะ่ะนะในยุคนั้นนะ่ะคนสังคมอย่างสังคมมาดีน่าอย่างเงี้ยมาดีน่าสมัยท่านนาบีเทา่ทากับมัสยิดมาดีนั้นในปัจจุบันน่ยลองคิดดูดิคนเราเนี่ยไปมัสยิดมาดีนั้นไหมเดินจากประตูนู้นถึงประตูนี้นี่ก็ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีนี่ก็เสร็จแล้ว น, น, นั่นนะ่ะเ ม, ม, มืองเมืองนบีตอนนั้นน่ะอย่างนั้นมีแค่นี้เฮ้อคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่ละหมาด ตอนนั metros, can, we, ้นในสังคมเนี่ก็มีแต่มุสลิมแล้วก็บวกกาเวรแล้วกมูนาฟิกคนนี้ไม่ละหมาดถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่กาเวรก็มูนาฟิกมันมีแค่นี้ไงคือไม่ใชเหมือนเดียนี้อาูนอเจอทาไมไม่ละหมาดบังรู้ยังไงผมละหมาดมัสยิดอื่นบังใช่เพะจบมามาอะไรงรู้ยังไงผมผมผมละหมาดบดีละหมาดละหมาดตามถนนน่มันดูติดคือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อะมันไม่เหมือนตก่อนนู้นอัลลอฮนาอบอกว่า คนนี้ไม่มาละหมาดซูบโบนี่เราเริ่มสงสัยแล้วเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าคือต่อนกรู้เราต้องเข้าใจไงโอ้ใครไม่ละหมาดพวกไหนวะเนี่ยถึงเวลาที่เก็บสะกาดไม่สะากาัดกระบดเลยบ้านเรานี่คนนี้ไม่จา่ายภาษีเนี่ยมีคุกไหมไม่ถ้าถ้าตั้งใจไม่ถ้าตั้งใจหนีภาษีเนี่ยมีนะตั้งใจหนีภาษีหนีภาษีนี่นมีไม่จ่ายอะไรขัดขืนนะตอนนั้นนะจำได้ปะ ถ้าเกิดไม่ใจภาษีผมบอกว่าระวังนถ้าเกิดขืนนี่ผิดกฎหมายนะไม่ใจภาษีนี่ผิดกฎหมายนะไม่ยอมไม่ยอมรับอำนาจของรัฐนะทําไมไม่จใจภาษีก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับในอํานาจของรัฐกรบาข้อหากระบาศตาวรษที่สีฮิจรัศักราชเนี่ยอุลามานิฟัตัวละบอกว่าสการ์นี่ไม่ต้องมอบไม่ต้องมอบให้เบตุลมาละไม่ต้องมอบให้คอยลีฟ้าละทำไมอ่ะเพราะเบตุลมาลไม่นิ่ง เขต้องกอนนศตวที่ี่นุ่งวุ่นวายไปหมดสงครามก็เยอะเดี๋ยวก็รัตนีก็มากมกบิดรัฐนีรันีเนี่ยก็มาถล่มรัฐนีมันใบตุ่มาเละตุ่มเบ้ไปหมดนัะใจสยสะ ก, กาเดี๋วก็เอาไปเอาไปรบเอาไปสงครามโอ้ยแล้วต่อา ไ, ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมอบสะ ก, กาให้ให้พวกแม่ทัพเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปช่วยคนลเขาเอาไปสู้รบกันไปข้ากันนี่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันไม่ใจสะ ก, การกระเบิอ่ะนี่ของทุนบตุ่มาลของกรรมาการอิสลาม แต่ละจังหวัดไม่จ่ไม่จ่ายล่ะกระบฏดไหมไม่ใช่มันไม่ันแต่ถ้าก่อนเอาก็เร็วอินตาบุอาคามุสลัตนะคนนี้น่ะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กระบฏแล้วไม่ใช่พวกที่ไม่หวังดีแล้วแต่สมมติว่าคนเนี่ยเขาเลือกอ่ะเขาฉันฉันไม่รับอิสลามล่ะอ่านี่มีอายะเฉพาะเลยและอายะนี้อันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอายะเนี่ย ที่เราต้องศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยอายะที่ขอโทษใช้คำว่าเราขอไปทโทษต่อร้อนี่อายะที่โดนข้อหาว่าเป็นอายะรุนแรง อ, อายะก่อกลายซึ่งเป็นข้อมติส์นะแต่เราพูดใน ข, ข้อหาไงว่าแต่อายะเนี่ยติดติดกันเลยเนะ่ยทัดกันเลนะอยอายะนี่ที่จะอธิบายความกวาม้ว า, ว า, ว า, วาขงขวางกว้างใจกว้างของอิสลามแล้วแปลกเนี่ยมันอายะมันติดติด แม่จับอายาเนี่ยนี่ไงควก็แต่ถ้าอายาอ่านอาถัดไปเนี่เราก็จะเห็นว่าโอ้โหนี่ไม่ใช่มันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยแต่เวลามันไม่พอนะครับที่จะอธิบายอายาเนี่ยมันไม่พออยู่กี่วันเนี่ยพรุ่งนี้กลับแล้วฟังทางทีวีแล้วกันเวลามันหมดแล้ว การี่ก็จะบูดถึงเรื่องสิทธิสิทธิของมุสริกิน่ะไม่น่าเชื่อแอบบอกน้ําทิมนิดนึ่งน้ำจิบนิดนึงสิทธิที่ต้องปกป้องคุ้มครองมุสลิกีนในกรณีเขาประกาศแล้วนะเขาไม่รับอิสลามนะแต่เ ข, ขาขอศึกษาขอดูก่อนแค่บอกว่าจะศึกษานี่นะไอระยะสี่เดือนอะไรนี่นะยกเลิกแล้วนะศึกษานี่เนะี่ยธรรมดา ศึกษาเนี่ยถึงขนาดที่จะเข้ามาสัสยิดฮะรอมจะเข้ามาสัสยิดนบีจะได้ศึกษาน่ะอนุญาตขอศึกษาขอดูก่อนเชิญดูเลยเออยังยังกำลังยังยยั ง, ย ง, ย ง, ยงมีข้อสงสัยดูขอเวลาขอเวลาศึกษาอกีกแต่ช่วงนี้ยังไม่อยากอยู่ที่นี่เพรอยู่ที่นี่เนี่ยผมกินเหล้าอะไรก็ไม่ได้รัฐอิสลามเนี่ยต้องส่งส่งเข้า ไปพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขามีความปลอดภัยแล้วถ้าเขาไปที่ไหนไม่ปลอดภัยเนี่ยรัฐอิสลามต้องให้ความปลอดภัยตราบใดเขายังไม่ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์อยายะนี่หักล้างเลยนะคนที่จะตีความอยายะก่อนหน้านี้ว่าโ อ, อป้ประหารประหารชื่อมันไม่ใช่ยัางนะไม่ใช่ยังที่เข้าใจแล้วก็อุลามาก็ได้ตีความตีความอยายะนี่อุลามาเกือบทั้งหมดนะว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่อยากจศึกษาอย่างเดียวนะไม่ มุชาลิกินที่เขามุชาลิกินที่เป็นศัตรูเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์นะแต่เขาขอยุติความเป็นปฏิปักษ์แล้วก็ขอเข้าไปในดินแดนของรัฐอิสลามเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ขัดกับความมั่นคงเช่นจะทําธุรกิจจ ะ, จะการค้าจะไปเยี่ยมพี่น้องหรือจะทําอะไรสักอย่างที่มันไม่ขัดกับความมั่นคงต้องให้ความปลอดภัยกับเขา นี่อ้าที่ก็จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดในช้อลนนะครับคงต้องยกยอดไปอาทิตย์หน้านะครับวสััลลอลัยนบีอมฮัมมดวะัลอาิวสวัสสลามุะลุมวะราะห์มะตุลละส่วนมากเนี่ยบอกว่าไม่ต้องอ่านฟาติฮส่วนมากดิบอกว่าไม่ต้องอ่านฟาติ